พอนเสวยวัละน้อยละน้อยจนไม่เสวยทำให้พระวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีเศร้าหมองพระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกายเส้นพระโลมามีรากอเน่าดุดร่วงลงมาพระกำลังน้อยถอยลงจะเสด็จไปข้างไหนก็ส่วนล้มในขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกักรกิริยาในวาระหนึ่งหนึ่งนั้นได้เสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัส แม้พระวรากายกระวนกระวายไม่สงบระ ง, งับลงเลยแต่ทุกขเวทนานั้นก็ไม่อาจครอบงำพระหารุทายทให้กระสับกระส่ายได้ทรงมีพระสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนปราลบความเพียรโดยมิท้อถอยจนเกือบสิ้นพระชนด้วยว่าอยู่มาวันหนึ่งทรงอ่อนพระกำลังพระทรงอิจโอยหงอหิวจนไม่สามารถจะทรงพระวรากายไว้ได้ก็ทรงวิสัยีภาพล้มลง ที่ตรงนั้นเองเด็กเลี้ยงแพ้ผ่านมาเห็นพระโพธิสัตว์นอนสลบสลายก็คิดว่าพระองค์มรณาภาพครั้นใช้มืออังที่ปลายพระนาศิกเห็นว่ายังมีลมหายใจอยู่จึงรีดนมแพ้มาหยอดใส่ลงในพระโอษฐ์ไม่นานนักพระองค์ก็ทรงฟื้นคืนพระสติทรงพิจารณาข้อปฏิบัติที่บำเพ็ญอยู่และดำริว่าบุคคลในโลกนี้จะทำทุกขกิริยาอย่างอุกฤษเพียงไร ก็ทำได้เสมอพระองค์เท่านั้นจะทำให้ยิ่งไปกว่าพระองค์หาได้ไม่ในเมื่อพระองค์ทรงทาอย่างอุกฤษเห็นตา น, นี้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณทุกรกิริยามิใช่ทางตรัสรู้แน่ทางแห่งพระโพธิญาณที่ควรแก่การตรัสรู้ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเมื่อการบาเพ็ญเพียรทางกายไม่ทาให้บรรลุพระโพธิญาณ จึงทรงเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางจิตและทรงกลับมาสวยพระกยายารตามเดิมระหว่างที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทุกขรกิริยาอยู่นั้นได้มีนักบวชสีรูปเรียกว่าคณะปัญจวคีได้แก่โกนธั ญ, ญะวัปปะพัทิยะมหานามะและอัศชิมาคอยปรนนิบัติรับใช้ด้วยหวังจะบรรลุความหลุดพ้นตาม ครั้นเห็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกระกิริยาก็พากันคิดว่าพระองค์ทรงละความเพียรจึงพากันเดินทางไปอยู่ที่ป่าอิสิ ป, ปตนมรุขทายวันแขวงเมืองพระนาสีทิ้งพระองค์ไว้ที่ตำบลอุรุเวลาแห่งนั้นการจากไปของคณะปัญจวคียังผลดีให้เกิดแก่พระโพ ธ, ธิสัตว์เพราะทาให้พระองค์ทรงพบกับความสงบวิเวกยิ่งขึ้น บรรยากาศเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาทางจิตในตอนเช้าของวันเพ็ญเดือนวิสาขะนางสุชาดาบุตรีขหบดีในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้นำข้าวมัทุปายาใส่ถาด ท, ทองมาถวายโดยคิดว่าพระโพธิสัตว์เป็นลุกขะเทวดาเมื่อนางกราบบังคมลากลับไปเรือนแล้วพระโพธิสัตว์ทรงลุกจากที่ประทับใต้ต้นนิโครธทพฤก ทรงถือถาดข้าวมัทุปายาสเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประทับปลายพระพักู่บูรภาทิ์ทรงปั้นข้าวมัทุปายาเป็นก้อนๆได้49ก้อนแล้วเสวยทั้งหมดจากนั้นทรงถือฐาดลงไปสู่แม่น้ำตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะบรรลุพระโพธิญาณขอให้ถาดทองใบนั้นจงลอยทวนกระแสน้าขึ้นไปแล้วทรงลอยถาดทองนั้นลงในแม่น้าเนรัญชรา ด้วยอนุภาพพระบารมีของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญมาบริบูรณ์ดีแล้วถาดทองนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณหนึ่งเส้นแสดงให้เห็นเป็นอศัศจรรย์แล้วจมลงตรงพนาคพิพพแห่งพยากาลนาคราชพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ทรงมั่นพระไทยว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญาณอย่างแน่นอน จึงเสด็จมายังดรงไม้สาระริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประทับพายใต้ร่มไม้สารพฤกษ์ครั้นเวลาสายยันตะวันรอนอ่อนแสงลงทรงออกจากดรงไม้สาระเสด็จดำเนินข้ามแม่น้ำเนรัญชรลาไปสู่ควงไม้อัสสัตวพฤกษ์ระหว่างทางทรงพบพรามชื่อโสธิยะซึ่งมีอาชีพตัดหญ้าขายโสธิยะพรามเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมถวายญากุศะแปดกม พระโพธิสัตว์ทรงรับญาตุตสา์และเสด็จไปยังร่มไม้อสัตว์ทับฤกษ์ทรงอธิษฐานว่าหากพระองค์จะได้ตรสัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอบันลังแก้วจงบงเกิดขึ้นรองรับพระสัพทพันยุตยานณนะที่นั้นบัดโดนบันลังแก้วอันวิจิตก็บังเกิดขึ้นสมดังพระอาไทยปรารถนาครั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นประทับบันลังแก้วผินพระพักไปยังบูรพาทิศ ผ่านพระปริสดางไปทางลำต้นอสัตถพฤกก่อนจะเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อในร่างกายเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุพระโพธิญาณเราจะไม่ลุกไปจากที่นั่งภายใต้ต้นอสัตถพฤกนี้พระองค์ทรงมีพระทัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเกินกว่าคนธรรมดาสามัญ น, นะคะ ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ในวันนั้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่อุบัติขึ้นมาในโลกเพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อนนางสาวสายเยลักพูดด้วยความซาบซึง้งหลังจากที่ฟังการบรรยายด้วยใจจดใจจอ่อโยมฟังท่านบรรยายแล้วอยากจะร้องไห้สงสารพระพุทธองค์ที่ทรงลำบากตรากตามเพื่อความสุขของชาวโลกพระกรุณายิ่งใหญ่เหลือเกินโยมปลื้มใจที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วก็มีโอกาสได้มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมินี้โยมขอตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมาทุกปีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้ามาไม่ไหวก็จะให้ลูกหลานปุ้มใส่รถเข็นพามาโยมของสายพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นจนน้ำใสๆรอหน่อยตาทั้งสองข้างถ้าผมยังไม่ตายจะมาเป็นเพื่อนคุณทุกปีนิมนหลวงพ่อมากับเราทุกปีนะครับ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 บรรดาเทพ ย, ยดาทั้งหลายต่างพากันชื่นชมโสมนัสนำบุปผามาลัยมาสักการะบูชาเปล่งเสียงโห่ร้องแซ่ซ้องสาธุการฝ่ายท้าวสวัสิตีมานได้สดับเสียงสาธุการของเหล่าเทพ ย, ายดาก็ทราบชัดในพระไทัยว่าพระโพธิสัตว์จักตรัสรู้พระสัพพัญญุตยานทำลายบ่วงมานที่ตนวางขึงรัดเรึงไว้แล้วหลุดพ้นไปได้ก็มีจิตวิสยา ฟาประกาศเรียกพลเสนามามากมายหมายจะไปทำลายล้างพรานให้แหลกลานในพริบตาจึงขี่ช้างชื่อคิริเมกละแล้วเนลมิดมือพันมือถืออาวุธพร้อมนำกองทัพเหาะลงมาล้อมเขตขันบรรหลังแก้วไว้แน่นหนาพวกเทพพยายดาที่มาห้อมล้อมถวายสการะบูชาพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นท้าวสวัสดีมานยบพผลพลโยธามารุกรานเช่นนั้นต่างตกใจกลัว อกสันขวัญหายพากันหนีไปจนสุดขอบจักรวาลทิ้งพระโพธิสัตว์ไว้แต่ลาพังพระโพธิสัตว์ไม่ทรงแรเห็นใครที่ไหนจะช่วยได้ก็ทรงระลึกนึกถึงบา ร, รมีที่ทรงบาเพ็ญมาทั้งสิบประการมีทานศีลเนฆา ม, มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขา ในแต่ละประการก็ทรงบําเพ็ญได้ครบทั้งสระดับคือระดับบารมีระดับอุปบารมีและระดับปรมาภิารมีการบําเพ็ญบารมีมาครบถ้วนประมวลแล้วได้ถึง30ทัศเช่นนี้มีหรือที่จะกลัวท้าวสวัตดีมานและเสนาเหตุนี้จึงประทับสงบนิ่งอยู่ฝ่ายท้าวสวัสดีมานขันเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนิ่งมิได้ไหวติงหรือแม้แต่ไหววันก็โกรธ ส่งเสียงร้องสั่งให้พลเสนามานเข้าผจญพระโ พ, พธิสัตว์พุ่งซัต ส, สตราวุธทุกชนิดซึ่งมีพิษร้ายบรรดาศสตราวุธก็กลับกลายเป็นปุกผามาลัยบูชาพระโพธิสัตว์ยังความโทมนัสให้เกิดแก่ท้าวสวัสดีมานเป็นล้นผลกระนั้นก็ยังผจญต่อไปโดยการกล่าวตูด้วยสันดานผ่านวิสัยว่าดูก่อนสิทธัตถะบรรลังแก้วนี้เกิดด้วยบุญค่าเป็นของสมควรแก่ข้า เจ้าหามีบุญไม่จึงไม่สมควรนั่งจงลุกหลีกไปอย่าได้ช้าพระโพธิสัตว์ตอบว่าดูก่อนพญามารมลังแก้วนี้เกิดด้วยบุญบา ร, รมีที่เราได้บําเพ็ญมาหลายอสงไขยกับนับประมาณมิได้มลังแก้วจึงสมควรแก่เราเท่านั้นหาสมควรแก่ผู้อื่นไม่ท้าวสวรดีมานจึงท้าให้พระโพธิสัตว์หาพยานมายืนยัน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 ทำอัญชลีถวายอภิวาทพระโพธิสัตว์แล้วประกาศให้ท้าวสวัตดีมานทราบว่าพระสิทธท ะ, ทะบรมมหโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากมายมหาศาลตลอดการนานเหลือจะขนาดนับแต่น้ำกรวดที่ข้าพเจ้าเอามวยผมมารองรับก็มากพอที่จะเป็นหลักฐานได้ว่าแล้วก็ประจงหัดอันงาม ปล่อยมวยผมบีบน้ำกรวดที่สะสมไว้เป็นอเนกชาติให้ไหลหลั่งลงมาเป็นทะเลหลวงท่วมทัพพญามารและเสนาทั้งปวงให้จมลงกำลังแห่งน้ำได้พุ่งซัดพัดเอาช้างคิลิเมฆละให้ถอยร่นออกไปจนติดขอบจักรวาลท้าวสวัสดีมาตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์จึงประนมหัดนมัสการยอมปราชัยแพ้พ่ายบุญบรารมี แล้วอันตราธานนี้ไปจากที่นั้นยังไม่ทันที่พระอาทิตย์จะอัสดงมานไปแล้วพระโพธิสัตว์จึงทรงบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อโดยเริ่มจเจริญรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุฌานเมื่อจิตเข้าถึงจตุฌานลมอัศสาสะปัสสาสะก็ดับไปจากนั้นทรงออกจากฌานแล้วทรงเจริญยานอันเป็นองค์ปัญญากระทั่งทรงบรรลุญานทั้งสามขัน้น ตามลำดับแห่งเวลาคือยามต้นทรงบรรลุปเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ทำให้ระลึกชาติแต่หนหลังได้ทรงระลึกชาติถอยหลังเข้าไปได้ตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติจนถึงหลายๆกับว่าในชาติที่เท่านั้นได้มีชื่อมีโคดมีผิวพันมีอาหารเป็นอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกเป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้น จุติจากชาตินั้นได้อุบัติในชาติโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงมาเกิดในชาตินี้ยามกลางทรงบรรุจุตูปปาตยานคือรู้ในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้ที่พระจักขูอันบริสุทธกว่าจักขูสามันเห็นปวงสัตว์ที่กำลังอุบัติเรวดีมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณสามได้ดีหรือตกยาก รู้ชัดว่าปวงสัตว์ที่เป็นไปเช่นนั้นตามกรรมของตนยามปลายทรงบรรลุอาสวัค ย, ยานคือความรู้ที่ทําให้กิเลสหมดสิ้นไปหมายถึงรู้อริยสัจ ส, สรู้ชัดตามจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกเหล่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะ นี้ทางไปถึงความดับอาสวะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตตุดพ้นจากอาสวะสามคือกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่ต้องทาทาเสร็จแล้วกิจอื่นอันจะต้องทำเช่นนี้อีกไม่มีเป็นอันว่าพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามคลายของคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งต่อมาเรียกว่าวันวิสาขบูชาและต้นอัศวพลึกก็ได้ชื่อใหม่ว่าโพธิพลึกด้วยเหตุที่พ ร, พระโพธิสัตว์ทรงบรรลุโพธิญาณภายใต้ต้นไม้นี้ที่เราเรียกขานกันในปัจจุบันว่าต้นพระสีมหาโพธิ์พระมะคุเทศสรุปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดขึ้นว่า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 โยมผ่องสายพูดแบบเกรงใจพระภิกษุสี่รูปท่านพระครูรู้สึกประทับใจที่โยมผ่องสายพูดว่าตอนเด็กๆอยู่กับยายเพราะท่านก็อยู่กับยายสมัยที่เป็นเด็กเช่นกันโยมยายเคยสอนให้ท่านสวดมนต์แต่ท่านก็ไม่เชื่ อ, อยังดีที่ปวดไม่สึกไม่เช่นนั้นก็คงกลายเป็นมหาโจรดังที่ถูกปราโาทไว้ถ้าอย่างนั้นผมขอนิมนต์หลวงพ่อนําสวดนะครับ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 อันธรรมยังปัมฐาพุทธภาสิตาคาทโยโพนามาเซจากนั้นจึงสวดและแฝงพร้อมกันว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้ท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขหาการังขเวสันโตทุกขาชาติกุณปุณัง สแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปขหาการกระทิดโถสิบุณะเคหังนะกาหสินี่แน่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัภาเตภาธุกาพักคาขหากูตังวิสังขตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขาระคตังจิตต่างตันหานางขยมัชฌาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาสวดจบจึงพากันกราบประลึกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณเมื่อเงยหน้าขึ้น ปรากฏมีน้ำใสๆเอ่อล้นอยู่ในหน่วยตาทั้งสองของพระขุนทดและโยมเสงพระขุนทดเกิดความละอายว่าบวชมานานแต่ยังสวดมนต์สู้โยมผ่องใสไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเสียทีส่วนโยมเสงเกิดปิติทราบซ่านและทราบซึ้งใจในพระพุทธคุณจนถึงกับน้ำตาไหลทั้งที่ไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนนึกถึงคาสอนของหลวงพ่อชา ที่ท่านสอนเรื่องการกราบไว้ว่าถ้ากราบเป็นจะถึงกับน้ําตาไหลเลยทีเดียวบัดนี้เขากราบเป็นแล้วมาเป็นตรงสถานที่ที่ตรัสรู้นี่เองท่านพระค ร, รูรู้ว่าโยมเสียงกําลังคิดอะไรอยู่จึงพูดรับรองความคิดของเขาว่าตอนที่อาตมากราบเป็นใหม่ๆก็น้ําตาไหลเช่นกันหลวงพ่อกราบเป็นมานานหรื อ, อยังครับโยมเสียงทาเบา ตั้งแต่เรียนธรรมากายกับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อ30กว่าปีมาแล้วท่านพระครูตอบได้เวลากลับไปฉันเพลและรับประทานอาหารแล้วขอให้เรามาบูชาสถานที่ตรัสรู้คือเจดียสถานพุทธคยาแห่งนี้พร้อมๆกันคำบูชาอยู่หน้าท้า ย, ายของหนังสือนิมนต์หลวงพ่อว่านำวักแรกด้วยครับพระมคัคุเทศมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครู เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสวดนำวักแรกแล้วสวดพร้อมกันไปกับคนอื่นๆดังนี้มหาการุณิโกนาท ป, ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังวิสาขาุนมีกาเลมหาโพธิวรุตตะเมปุพเพนิวาสานุสติยานังจุตุปะปะตายานัง อาสวัคคายายานจะปตตวะอนุกามินิทะารหังสัมมาสัมพุทโธโลกานังอนุกรมปโกสัทสัทสานียันจะสังเวชนียเมวจะมังคลัธานเมตัมปิสัปตตาธานีเยมยัง บริสุทธายะสัตทายะเยการะอาหะตาอิเมปิติวัตริตาเตหิปูเชมารตนาตตยังพุทธปูชายาทินันจะอีทางโนกาญาชีวิตังธรรมปูชายาทินันจะอีทังโนกาญาชีวิตัง สังคปูชายาทินานจะอทังโนกายาทีวิตังอิทิโสมารชินายังโอกาโสมะคลมุตตะโมพุเทนะพุทธภาโวโยยธาอธิคโตตทาสัมปฏิปติปัตชามาพุทธตมุปปปะชิตุนตี พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดณภายใต้มหาโพธิพฤกษ์อันประเสริฐล้ำเลิศนี้ในวันเพนเดือนวิสาขะณสถานที่แห่งนี้พระองค์ทรงบรรลุ ป, ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายญาณตามลำดับเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์ชาวโลก